วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สองมกราคมพุทธศักราช2563เป็นวันพระวันธรร ม, มสวนะวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง กำหนดไว้ให้พุทธบริษัทศรัทธาญาติโยมชาวพุทธได้หยุดภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้มาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดเกิดปัญญาที่จะนำเอาความรู้ที่ที่ได้ยินได้ฟังนี้เอาไปทำลายกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของชาวพุทธเราให้หมดสิ้นไป เพื่อใจจะได้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อมีปสาทาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสาวรของพระพุทธเจ้าการที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจําเป็นที่จะต้องมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพระ อ, องค์ได้หมดสิ้นไปเราได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่มีความปรารถนาที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจ ผู้ที่มีศรัทธามีความปรารถนาพอได้นำเอาคำสั่งคำสอนวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆจากพระพุทธเจ้านำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นพระอาาริยสงสารกของพระพุทธเจ้าที่จะมาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่วิธีดับความทุกข์ของใจให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่คือสิ่งแรกที่ชาวพุทธเรา ต้องมีกันก็ต้องมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้รู้วิธีดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงและถ้าอยากจะดับทุกข์ <c oughs> ก็ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือศึกษาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก หรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือการเชื่อเปรียบเทียบพวกเราที่ยังมีความทุกข์ใจอยู่นี่ ก็เป็นเหมือนคนที่เจ็บไข้าทางร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายเมื่อเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายเราก็มีความปรารถนาอยากจะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปเราก็สแสวงหาผู้ที่จะ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายของพวกเราให้หายได้เราก็อาจจะได้ยินได้ฟังว่ามีหมอมีโรงพยาบาลมียาที่จะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้เมื่อเราได้ข่าวว่ามีหมอมียามีโรงพยาบาลที่จะรักษาโรคของเราได้ เราก็เกิดความเชื่อขึ้นมาเชื่อว่าหมอยาและโรงพยาบาลนี้จะรักษาโรคของเราได้เมื่อเรามีความเชื่อเราก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี้แล้วก็ไปให้หมอที่โรงพยาบาลรักษาพอหมอได้วิเคราะห์โรคของเราแล้วหมอก็ ให้ยาเราไปรับประทานถ้าเป็นโรคที่ไม่ต้องมีการกระทำการผ่าตัดหรืออะไรเพียงแต่รับยาไปรับประทานแล้วก็จะทำให้โรคหายเราก็ต้องเชื่อหมอเชื่อว่าหมอนี้รู้วิธีรักษาโรคของเราและยาที่หมอให้เรามารับประทานนี้ ก็จะเป็นยาที่จะรักษาโรคของเราให้หายไปได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อถ้าเราเป็นคนไข้เราอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องเชื่อหมอเชื่อโรงพยาบาลเชื่อยาเราถึงไปหาหมอหาโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปหายาหาหมอรับประทาน ให้หมอรักษาให้เรา อ, อันนี้ก็เหมือนกันพวกเรายังยังมีความทุกข์ใจกันอยู่ยังมีความไม่สบายใจกันอยู่เราก็อยากจะให้มันหายไปเราก็ได้ยินได้ฟังได้ข่าวว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่รู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายไปหมดได้ถ้าเราอยากจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของใจให้หายไปหมดเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราเข้าหาแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนที่เป็นวิธีที่จะ ให้เรานำเอาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็เหมือนกับเราไปหาหมอแล้วหมอวิเคราะห์โรคของเราว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วหมอก็จ่ายยาให้เร า, เาไปรับประทานอพอเรารับยามาจากหมอแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือต้องรับประทานยา ตามที่หมอสั่งเราต้องเชื่อหมอว่าหมอจะรักษาให้เราหายได้ด้วยการให้เรารับประทานยาที่หมอให้เรามาถ้าเราไม่เชื่อเราก็อาจจะไม่กล้ารับประทานยาก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าหมอนี้รู้จักวิธีรักษาโรคให้กับเราได้จริงหรือไม่ายาที่หมอให้มานี้ จะเป็นอันตรายกับเราหรือไม่ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็อาจจะคิดแบบนี้ได้ถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะไม่กล้ารับประทานยาไม่กล้าทำตามหมอสั่งเมื่อเราไม่ทำตามหมอสั่งไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่าวิธีรักษาโรคของหมอ ยาที่หมอให้มารักษาโรคนี้จะใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้หรือไม่เราจึงต้องยอมเสี่ยงยอมเชื่อหมอกัน เ, เพราะว่าเราได้ยินกิตติศัพท์ของหมอว่าหมอคนนี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อย่างแน่นอน ก็เหมือนกับที่พวกเราได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วและสามารถที่จะสอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าเรามีความเชื่อแล้ว พอเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้แล้วขั้นตอนที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราก็ต้องปฏิบัติตามเราได้รับยามาจากหมอแล้ว หมอบอกให้นายานี้ไปรับประทานวันละสามมื้อและก่อนนอนก่อนอาหารหรือหลังอาหารข้างละกี่เม็ดหมอสั่งอย่างไรเราก็ต้องทำตามอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำตามหรือทำไม่ตรงกับที่หมอสั่งเราก็อาจจะไม่หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ เราก็จะไปโทษหมอไม่ได้ว่าหมอนี่โกหกหมอนี่รักษาโรคไม่ได้ไม่เป็นแต่ถ้าเราได้ทําตามที่หมอสั่งทุกประการแล้วถ้าเกิดโรคไม่หายจริงเราถึงจะสามารถรู้ได้ว่าหมอคนนี้รักษาโรคของเราไม่ได้ เราจะได้เลิกเชื่อหมอคนนี้ไม่ต้องไปหาพ้นหมอคนนี้อีกต่อไปแต่ถ้าเรารับยาที่หมอมอบมาให้แล้ว ร, รับประทานแล้วโรคเริ่มหายไปอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มหายไปจนหายสนิทเราก็จะเชื่อว่าหมอคนนี้เป็นหมอที่รู้จริง ที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้อย่างแท้จริงเราก็จะหายสงสัยความไม่มั่นใจก็จะหายไปความมั่นใจในหมอในยานี้ก็จะมีเต็มร้อยทุกครั้งที่เราไม่สบายเราก็จะไปหาหมอคนนี้รับยาจากหมอคนนี้มารับประทาน อันนี้ก็เช่นเดียวกันพระพทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนหมอเป็นเหมือนยาพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกนี้เป็นเหมือนหมอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนยายาที่ท่านมอบให้พวกเรามารับประทานกั น, นวิธีรับประทานยาของพระพุทธเจ้า ก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์ของพวกเรานี่ยเกิดจากหนึ่งเกิดจากการกระทําบาปสองเกิดจากการไม่ได้ทําบุญสามเกิดจากมีกิเลสตัณหาที่ทําให้ใจเรา เศร้าหมองทำให้ใจเราทุกข์กันนี่คือเหตุสามประการที่ทำให้ใจของพวกเราไม่มีความสุขกันมีแต่ความทุกข์กั น, นเกิดจากหนึ่งการกระทาบาปต่างๆสองเกิดจากการไม่ได้ทำบุญต่างๆสามเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในหัวใจของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะรักษาใจของเราให้ปราศจากความทุกข์ต่างๆให้ใจของพวกเรามีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเราก็ต้องนำเอายาที่พระพุทธเจ้าส่งอมอบให้พวกเรานี้มารับประทาน วิธีรับประทานยาของพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนหมอมีหลายหมอด้วยกันพระพุทธเจ้านี้ก็มีหลายพระพุทธเจ้าด้วยกันแต่พระพุทธเจ้านี้จะมีปรากฏขึ้นมาในในโลกนี้ได้เพียงองค์เดียวต่อหนึ่งครั้ง ดอกนั้นผู้ที่มาศึกษาและมาปฏิบัติจนรักษาความทุกข์ของใจให้หายไปหมดได้นี้จะเรียกว่าเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นหมอที่รักษาโรคภัยของจิตใจได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเช่นตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราแล้วมาเอายามาให้กับเราสั่งยาให้เราแล้ว แต่เรายังมีพระ อ, อริยสงสาวกที่จะเป็นผู้ทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าด้วยการมอบยาคือธรรมโอสถให้แก่พวกเรานำเอาไปรับประทานกันเอาไปรักษาโรคของใจของเราได้พระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนหมอหมอทุกทุกรูปจะรักษาโรคเหมือนกันเช่นถ้าเป็นโรคมะเร็ง ตั้นต้นเขาหมอก็บอกให้ใช้แสงก่อนใช้แสงแล้วก็ใช้คมีโมหรือผ่าตัดจะมีสามวิธีนี่แสงผ่าตัดแล้วก็คมีโมไม่ว่าจะไปรักษาที่ไหนประเทศไหนก็ตามโรงพยาบาลไหนก็ตามวิธีรักษาโรคมะเร็งนี้ก็จะรักษาเหมือนกันใช้คมีโมบ้าง ใช้การผ่าตัดบ้างใช้การฉายแสงบ้างแล้วแต่ว่าวิธีไหนจะเหมาะสมต่อมะเร็งชนิดนั้นแต่จะรักษาเหมือนกันหมดเช่นเดียวกับวิธีรักษาโรคใจโรคมะเร็งของใจคือความทุกข์ใจก็รักษาเหมือนกันหมดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมีมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า กี่พระองค์ก็ตามในกี่ยุคกี่สมัยก็ตามคําสั่งคําสอนวิธีกําจัดความทุกข์ใจของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์ทั้งๆที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยได้ไปเรียนจากโรงเรียนเดียวกันมาก่อนก็ตามแต่ความเป็นจริงของโลกของใจและวิธีรักษาโลกของใจนี้ เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเป็นความจริงอ ม, มตะสัตว์โลกมีโลกใจกันคือความทุกข์ใจและวิธีรักษาโรคทุกข์ใจก็ต้องรักษาด้วยสามวิธีที่พระพุทธเจ้าแต่ละพงได้ส่งคนพบกันคือให้ละ ก, การกระทําบาปทั้งปวง เพื่อเพื่อกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาป 2. ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพื่อกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ทำบุญทำกุศลและสให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปอันนี้ถ้าทำได้สําเร็จก็สามารถรักษาโรคใจคือความทุกข์ใจให้หายขาดได้เหมือนกับที่เขารักษาโรคมะเร็งเนี่ยเขาก็ใช้สามวิธีนี่ใช้ฉายแสงใช้ผ่าตัดแล้วใช้ีโมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะรักษา โรคใจนี้ให้หายขาดคือไม่ให้มีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ในใจเลยเราจำเป็นจะต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภ ความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เรียกว่ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าปฏิบัติตามแล้วความทุกข์ใจต่างๆจะหายไปหมดเพราะมีผู้ที่ได้ปฏิบัติตามแล้วและได้รับผลแล้วคือพระอริย ส, สงสาวกทั้งหลายนี้เองผู้ที่ ไปหาพระพุทธเจ้าไปศึกษาและนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนสามารถทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่พระริยสงสารุกทุกๆององนี้จะเป็นผู้ที่มายืนยันความจริงของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้ เป็นผู้กำจัดความทุกข์ได้จริงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้จริงดังนั้นพวกเราตอนนี้ยังมีความทุกข์ใจอยู่กันทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีความทุกข์ใจเลย อาจจะมีบ้างในบางเวลาเช่นตอนนี้อาจจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรเลยก็ได้แต่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีเรื่องทำให้เราไม่สบายใจกันเดี๋ยวไปได้ยินคำคลหานินทาคำดุด่าว่ากล่าวก็ทำให้เราไม่สบายใจแนละ้วหรือเวลามีขโมยมาขโมยของของเราไป ก็จะทำให้เราไม่สบายใจแล้วเวลาเกิดการสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปความทุกข์ใจความเสียใจก็จะเกิดขึ้นมาแล้วจะมีเรื่องราวที่จะทำให้เราทุกข์ไปเรื่อยเช่นทุกข์กับร่างกายของเราร่างกายของเราก็เดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันพอเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์กัน เวลาร่างกายจะแก่ลงไปเราก็ทุกข์กันเวลาเห็นผมขาวผมหงอกขึ้นมาเส้นสองเส้นก็ไม่สบายใจเห็นตีนกาขึ้นมาก็ไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาพอเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ เริ่มทุกข์ใจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะเจ็บหน้าอกขึ้นมานี่เริ่มกังวลวนะ่าเป็นมะเร็งหน้าอกหรือเปล่าเจ็บที่ท้องเป็นมะเร็งในลาไส้หรือเปล่ามีเรื่องจะทำให้เราทุกอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับพวกเราที่พวกเราสามารถแก้ได้ ถ้าเราเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้แต่การเชื่อเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอถ้าเชื่อแล้วไม่ปฏิบัติตามผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาเชื่อว่ายาวิเศษจริง แต่ไม่กินยาที่หมอให้มายาก็จะไม่สามารถที่จะนำไปรักษาโรคที่มีอยู่ในร่างกายได้ถ้าเชื่อหมอแล้วก็ต้องทำตามที่หมอสั่งหมอบอกให้กินยาวันละสาเวลาและก่อนนอนครั้งละสองเม็ดอย่างนี้ก็ต้องทำตามที่หมอสั่ง ถ้าไม่ทำตามเพียงแต่รับยาแล้วก็วางเอาไว้เฉยๆไม่รับประทานยายาก็จะไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่รักษาโรคของร่างกายได้ยาจะรักษาโรคของร่างกายได้ก็ต้องเอายาเข้าไปในร่างกายต้องรับประทานยากันฉันใดธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ คือวิธีรักษาความทุกข์ของเราสามประการนี้เราก็ต้องนำเอาเข้าไปในใจของเราเหมือนรับประทานยาวิธีที่จะรับประทานยาคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือก็ด้วยวิธีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนนั่นเองให้เราหนึ่งละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงสองให สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมสามให้ชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากโมหะอวิชชาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือวิธีจะรักษาความทุกข์ใจของพวกเราเราได้รยาจากพระพุทธ พระเจ้าจากพระอริยสงสาวกแล้วจากพระธรรมคำสอนแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องรับประทานยากันวิธีรับประทานยาก็ทำตามที่หมอสั่งหมอบอกว่าต่อไปนี้ต้องเลิกทำบาปแล้วบาปมีอะไรบ้างบาปก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าสัตว์การทำร้ายชีวิตทำาลายชีวิตของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีชีวิตเหมือนกัน ช, ชีวิตของแต่ละชีวิตมีคุณค่าเท่ากันชีวิตของเรามีคุณค่ากับเราอย่างไรชีวิตของนกของของสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ก็มีคุณค่ากับเขาเท่ากันนั่นอย่าไปว่าเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วไม่บาปเลอไม่มีโทษมีเหมือนกัน เพียงแต่มีโทษหนักโทษเบาต่างกันแต่มีโทษเป็นบาปไม่ควรที่จะไปทำลายชีวิตของผู้อื่นสองไม่ควรเอาทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตถ้าเขาอนุญาตให้เอาไปได้ไม่ถือว่าเป็นการรักทรัพย์แต่ถ้าเอาไปโดยที่เขาไม่อนุญาตนี้ เรียกว่าเป็นการรักทรัพย์เป็นการกระทำบาปจะทำให้ใจเราเศร้าหมองจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาค่าสัตว์ค่าชีวิตของผู้อื่นก็ทำให้ใจเราทุกข์รักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะทำให้ใจเราทุกข์ประพฤติผิดประเวณีคือไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อืน่นก็จะทำให้ใจของเราทุกข์ขึ้นมา ถึงแม้จะได้ความสุขแต่เป็นความสุขเพียงระยะสั้นๆช่วงที่ได้ร่วมหลับนอนกันแต่พอหลังจากนั้นแล้วความทุกข์ใจไม่สบายใจก็จะตามมาความร้อนใจความกังวลใจความวิตกว่ากลัวว่าผู้อื่นจะรู้ว่าเราได้ทำอะไรไม่ดีไปก็จะเกิดขึ้นมาในใจ ข้อที่สี่ก็คือการโกหกหลอกลวงพูดปดไม่พูดตามความเป็นจริงการพูดปดก็จะทำให้เราไม่สบายใจไม่เชื่อลองไปโกหกดูแลดูซิว่าเรารู้สึกอย่างไรเวลาที่เราโกหกเวลาที่เราไม่พูดความจริงนี่คือบาปสี่ข้อส่วนข้อที่ห้าที่ ที่อยู่ในสีน่าที่เรียกว่าบาปนี้ความจริงเป็นอบายามุก ค, คืออบายามุกก็คือการกระทาที่จะสนับสนุนให้การกระทาบาปเกิดขึ้นได้ง่ายนะเช่นถ้าเราดื่มสุรายาเมาเนี่ยจะทำให้เราขาดสติไม่มีสติยับยัง้งความคิดยับยัง้งการพูดการกระทาของเรา คนที่ดื่มสุรากับคนที่ไม่ดื่มสุรานี้จะมีความแตกต่างกันคนในคนคนเดียวกันเนะเวลาไม่ดื่มสุรานี้จะเรียบร้อยจะพูดจะทำอะไรสุภาพเรียบร้อยแต่พอเวลาเมาแล้วเนี่ยดื่มสุราเมาไม่มีสติควบคุมกิริยาการของตนนะทีนี้ความสุภาพเรียบร้อยไม่รู้หายไปไหนกลายเป็นคนหยาบคายขึ้นมา นั่นก็เพราะว่าไม่มีสติขอยยับยั้งความคิดการพูดและการกระทาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองสาเหตุที่พวกเราสามารถที่จ ะ, สะแสดงกิริยาเรียบร้อยสุภาพได้ก็เพราะเรามีสติกันนั่นเองเ ช, ช่นตอนนี้เรานั่งฟังเทศฟังธรรมกันได้ถ้าเกิดอาการมวนเมาขึ้นมานี้อาจจะเดินลุกขึ้นเดินโดยไม่รู้สึกตัว แล้วก็อาจจะพูดส่งเสียงดังทำให้ผู้อื่นเขาลำคาญเดือดร้อนขึ้นมาได้เนะีเพราะตอนดื่มสลาแล้วจะไม่มีสติที่จะคอยแยกแยะว่าตอนนี้การกระทาของตนถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรนะจะปล่อยให้ทาไปตามความรู้สึกนึกคิดเนะี่ยนี่คือสุรายาเมา จึงรวมไว้ในศีล ห, ห้าห้ามไม่ให้ทำคือนอกจากไม่ให้ทำบาปสี่ข้อนี้แล้วก็ไม่ให้เสพอบายามุก ค, คือการดื่มสุรายามเมาเพราะดื่มแล้วจะทำให้ไปทาบาปได้ง่ายนั่นเองเพราะจะไม่มีอะไรมายับยัง้งคำพูดการกระทาต่างๆของตนนอกจากสุรายาเมาที่เป็นอบตาย ยมุกแล้วยังมีอบายามุกอีกสี่ข้อที่เราควรที่จะเลิกหรืออย่าไปเสพถ้าถ้าเสพอยู่ก็ควรจะเลิกถ้าไม่เสพก็อย่าไปเสพคือเล่นการพนันเที่ยวเตรครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรละความเกลียดค้านการกระทําเหล่านี้ เรียกว่าอบายยมุขเพราะว่าเป็นการกระทําที่ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเล่นการพ น, นันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียเที่ยวก็เสียเงินเกียดค้านก็ไม่มีรายได้คบคนที่ชอบอบายยมุขเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายยมุขแล้วถ้าเราเสพอบายยมุข ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่จอจาเงินของผู้อื่นมาใช้แล้วบางครั้งก็อาจจะต้องไปป้นไปจี้น่า จ, จะมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่าฟันกันขึ้นมานี่คืออบายามุก เป็นเหมือนสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนให้การกระทํำบาปนี้ทําได้อย่างง่ายดายนั่นเองเราจึงควรละการกระทําสิ่งเหล่านี้ไปเพราะทําแล้วมันทําให้ใจเราทุกข์ร้อนไม่สบายใจพอไม่มีเงินทองขาดเงินทองไม่พอใช้นี้ก็ทุกข์กันละ ว, วุ่นวายกันละ แล้วถ้าหาเงินทองโดยวิธีทำบาปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกฉะนั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์จากการกระทำของเราขอให้เรามารักษาศีลห้ากันและละเว้นอบายามุขทั้งห้านี่ละเว้นการดื่มสุราละเว้นการเล่นการพนันละเว้นการเที่ยวเตและเว้นความเกลียดค้าน และละเว้นการครบคนที่ชอบอบายมุกเนี่ยแล้วเราจะได้อยู่ห่างไกลจากการกระทำบาปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดนะเพียงแต่ลดความเสี่ยงในการทำบาปให้น้อยลงแต่ถ้าเรามีความตั้งใจอนแน่วแน่ที่จะรักษาศีลห้าให้ได้โดยสุดตลอดเวลา เราก็จะห้ามการกระทําบาปได้ตลอดเวลาแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปก็จะไม่เกิดขึ้นในใจของเรานี่วิธีแรกในการกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปวิธีที่สองให้เรามาทําบุญกันเพื่อให้เกิดความสุขใจกันเวลาเราอยู่เฉยๆเราอาจจะรู้สึกไม่มีความสุขใจ ความไม่สุขใจนี้ก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งถ้าเราอยากจะให้เกิดความสุขใจด้วยการกระทำของเราเราก็มาทำบุญกันการทำบุญก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันทำกับใครก็ได้ทำกับคนที่เราเคารพนับถือคนที่มีพระคุณกับเราก่อนก็ได้เช่นทำกับพ่อแม่ทำบุญกับพ่อแม่ ทำบุญกับคู่ที่มีอุปราคาละคุณบางทีพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเราไปฝากให้พี่ป้าหนะ้าอาเลี้ยงดูเราเขาก็มีพระคุณกับเราทำบุญกับบุคคลเหล่านี้ก็จะทำให้เราเกิดมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ถ้าเราเห็นว่าวัดว า, ารามนี้ เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราที่พวกเราสามารถเข้าพึ่งได้เวลาที่เรามีความทุกข์ใจร้อนใจวัดวารามนี้ก็เปรียบเหมือนโรงพยาบาลของใจนี่เองเรามีใจมีความทุกข์ใจเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใจเข้าหาพระธรรมคําสอนแล้วก็ไปรักษาใจที่โรงพยาบาลของใจ ไปรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมนะไปถือศีลกันไปหยุดการกระทำบาปกันไปทำบุญกันใส่บาตรถวายข้าวของเงินทองให้กับวัดเพื่อชำระหนี้สงเคยหรือเพื่อปฏิปฏสังขรณถ่าวาลวัตถุต่างๆให้อยู่ แข็งแรงเพื่อจะใช้ได้ประโยชน์ไปนานๆเนี่ ย, ยวิธีทําบุญยังมีหลากหลายด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องทําที่วัดเสมอไปทําที่โรงเรียนก็ได้ถ้าเห็นว่าโรงเรียนขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือทํากับโรงพยาบาลก็ได้ถ้าเห็นว่าโรงพยาบาลมีคุณประโยชน์ พอจะช่วยรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้นี่เกิดทำกับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ก่อนเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวารามผู้มีผู้อุปะลักษ์ผู้มีพระคุณอุปการลัคุณต่างๆเช่นบิดามานดาปู่ยาตายายญาติสนิทมิตรสหายผู้ ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสัดความรู้ชนิดต่างๆให้กับเราบุคคลเหล่านี้เหมาะสมต่อการทําบุญนอกจากนั้นก็ยังสามารถทําให้กับบุคคลที่ไม่ได้ทําคุณทําประโยชน์อะไรให้กับเราก็ได้แต่เนื่องจากเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเขาก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนเราเขาก็ต้องการมีความสุขสบายเหมือนเราถ้าเราเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราก็ช่วยเหลือเขาได้การช่วยเหลือเขาก็เป็นการทำบุญเหมือนกันทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเหมือนกันทำให้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการไม่ได้ทำบุญนี้หายไปเวลาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำบุญบางทีจะรู้สึกว่ามันจืดชืดไม่มีความสุขก็ลองไปทาบุญดูเราจะรู้สึ จะทำลายความรู้สึกจืดชืด น, นั้นให้หายไปทำใหจ้จิตใจมีชีวิตชีวามีความสุขมีความอิ่มมีความรื่นเริงขึ้นมาในใจได้มีความปิติได้เนะีบางคนได้ทำบุญแล้วน้ำตาไหลก็มนะีเวลาที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนจริงๆเห็นเขาได้รับความช่วยเหลือแล้วทําให้เรามีความสุขใจขึ้นมาอนะ จึงให้หัดทําบุญกันทําบุญกับบุคคลต่างๆไม่จําเป็นจะต้องทํากับพระเพียงอย่างเดียวถึงได้บุญอันนี้บางทีคนเข้าใจผิดว่าทําบุญต้องทํากับพระทํากับวัดถึงจะได้บุญถ้าทํากับญาติโยมทํากับผู้อื่นจะไม่ได้บุญจะได้ทานคําว่าทานก็แปลว่าการให้การให้นี้เป็นเหตุะ ให้ใครก็ได้ให้พระก็ได้ให้คารวะผู้คลองเรือนก็ได้เรียกว่าทานเหมือนกันเมื่อให้แล้วก็จะเกิดผลคือความสุขใจขึ้นมาเหมือนกันเรียกว่าบุญความสุขใจนี้คือบุญนให้ให้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ความสุขใจให้ผู้คลองเรือนคารวะญาติโยมก็มีความสุขใจะ ให้สัตว์เดรัจฉานก็มีความสุขใจให้ความสุขกับสุนักจอจัดสุนักไม่มีข้าหารรับประทานก็ให้อาหารสัตว์แล้วสัตว์ถูกกักขังาไว้จะเอาไปฆ่าไปแกงก็เอาไปปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตเขายืดชีวิตของเขาให้อยู่ต่อไปได้ให้ความสุขกับเขา กำจัดความทุกข์ของเขาไม่ว่าจะทํากับใครนี้เป็นบุญทั้งนั้นเป็นการให้เป็นทานทั้งนั้นเป็นการทําบุญทั้งนั้นนฉะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีวัดนี้เราจะไม่ได้ทําบุญนี้ไม่เข้าไม่ถูกต้องเราทําบุญได้แม้แต่ ทำบุญกับบุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ทําได้ถ้าเขานับถือศาสนาอื่นแต่ถ้าเขาทุกข์ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเขาเราก็ได้ทําบุญเหมือนกันเห็นทำได้สัพพสัต ท, ทั้งปวงการทําบุญนี้ผู้รับนี้เป็นสัพพสัต ท, ทั้งหมดเคยทำกับใครก็ได้ทํากับมนุษย์ก็ได้ทํากับ สัตว์เดรัจฉานก็ได้มือ แ, แม้แต่ทํากับเทวดาก็ได้ถ้าเรามีกําลังที่จะทําให้กับเทวดาเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้านี้ทําบุญกับเทวดาเชื่อไหมวิธีทําบุญของพระพุทธเจ้ากับเทวดาทําอย่างไรก็ให้ธรรมะคําสั่งคําสอนนี่เองพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมทุกค์ขืนให้กับเทวดาตอบปัญหาให้กับเทวดาการให้ธรรมะก็เป็น การให้ให้อย่างหนึ่งการให้นี้มีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งให้ข้าวของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานสองให้วิชาความรู้เช่นวิธีวิชาธรรมกับข้าวิชาทําผมวิชาเย็บเสื้อผ้าเนีถ้าสอนผู้อื่นโดยไม่เก็บตังก็เรียกว่าเป็นการให้วิชาความรู้เรียกว่าเป็นวิทยาทาน วิธีที่สามการให้ก็คือให้อภัยทานนี่ให้อภัยทานปล่อยนกปล่อยปลาเห็นไหมให้อภัยเขาจะถูกลงโทษประหารชีวิตเราก็ไปซื้อชีวิตของเขาไปถ่ายชีวิตของเขาอันนี้ก็เรียกว่าอภัยทานแล้วก็ให้ธรรมะก็เรียกว่าธรรมทานให้ความ ความสว่างแห่งธรรมนผู้ที่จะให้ธรรมะได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เธอต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอริยสงสาวกท่านก็สามารถให้ธรรมะให้ทั้งให้กับมนุษย์และเทวดาได้การจะให้กับเทวดานี้ต้องมีความสามารถพิเศษพระพุทธพระอรหันต์บางรูปถ้าไม่มีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้ ก็จะไม่สามารถให้ธรรมะกับเทวดาได้ต้องมีความสามารถติดต่อกับเทวดาได้ถึงจะสามารถทำบุญกับพวกเทวดาได้คือให้ธรรมะแก่พวกเทวดานี่เองนี่คือวิธีการทำบุญชนิดต่างๆนอกจากการให้เข้าของเงินทองแล้วยังมีสิ่งอื่นที่เราให้ได้อีกคือให้กำลังกายหรือกำลังวาจา กำลังวาจาก็วิทยาทานกำลังกายก็คือไปช่วยทำงานโดยไม่คิดเงินคิดทองในเป็นอาสาสมัครช่วยทำสาธารณประโยชน์เช่นไปทำกับปอเต็กตึงไปช่วยเก็บศพไปช่วยค น, คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลเป็นหน่วยกู้ภยัยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกัน ทำแล้วก็จะทําให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานอกจากนั้นยังมีวิธีที่จะทําบุญอย่างอื่นอีกเช่นเวลาเราทําบุญแล้วเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้อุทิศบุญก็เป็นการทําบุญอีกอย่างหนึง่งอนุโมทนาบุญกับผู้ที่เขาทําบุญก็เป็นการทําบุญอีกอย่างหนึง่งเวลาใครเห็นใครเขาทาบุญแล้วก็ สนับสนุนเขาให้ความยินดีแสดงความยินดีกับการทําบุญอย่าไปขัดขวางคนที่เขาจะทําบุญอย่าไปบอกว่าอย่าทําเลยทําแล้วไม่ได้อะไรทำแล้วศูนเปล่าอันนี้เป็นไม่เป็นสิ่งนี้ไม่ควรกระทําถ้าไม่อนุโมทนาก็เฉยๆไปแต่อย่าไปห้ามอย่าไปาไปขวางคนที่เขาจะทําบุญ ควรจะสนับสนุนการทำบุญถ้าเราสนับสนุนแสดงอนุโมทนาเราก็เกิดความสุขใจไปกับการทำบุญของเขาด้วยนะมีหลายวิธีด้วยกันในการทำบุญนะเช่นการมาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการทําบุญนะเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วใจเราจะได้บุญนะได้กุศล กุศล ค, คืออะไรกุศลคือความรู้นี่เองความฉลาดเนี่ยเราเวลามาฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นวิธีดับความทุกข์ใจของพวกเราดับกันอย่างไรเนี่ยถ้าไม่มาฟังธรรมจะไม่มีวันรู้แต่พอมาฟังธรรมวันนี้แล้วตอนนี้พวกเรารู้แล้ววิธีกำจัดความทุกข์ใจของเรามีสามวิธีด้วยกัน วหนึ่งไม่ทำบาปสองสร้างบุญสร้างกุศลสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะเนี่ยฟังแล้วก็จะทำให้ใจสงบแล้วก็มีความสุขขึ้นมาที่เกิดจากความสงบความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็ถือว่าเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนะี่คือ ข้อที่สองของการกำจัดความทุกข์ใจต่างๆเช่นบางวันอยู่บ้านเหงาไม่รู้จะทำอะไรอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ไม่มีเงินหรือว่าไม่สบายถ้าอยากจะมีความสุขยังมีความสุขได้เปิดธรรมะฟังที่บ้านก็ได้ตอนนี้มีการถ่ายทอดสดไปถึงที่บ้านทุกวันบ่ายสองโมงถึงสี่โมงถ้ามาฟังที่วัดไม่ได้ก็สามารถ เปิดดูได้แล้วหลังจากที่ถ่ายทอดเสร็จก็มีการนําเอามาสแสดงใหม่อีกตลอด24ชั่วโมงสามารถเข้าไปผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ดูได้ทุกเวลาฟังเทศฟังธรรมได้ทุกเวลาเวลาใดที่เรารู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวไม่รู้จะทําอะไรจะให้ความสุขกับเราเนี่ยฟังเทศฟังธรรมก็เป็นวิธีที่จะ กำจัดความเหงาความเศร้าความว้าเหวได้ความทุกข์ใจได้ทำให้เรามีความสุขใจได้ไม่มีเงินก็ทําบุญได้ฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะก็ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าโทรศัพท์ก็เปิดหนังสือธรรมะอ่านก็ได้มีหนังสือธรรมะแจกฟรีดัดหนังสือธรรมะมาแล้วเคยอ่านบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่มีเวลา ถ้าเกิดมีเวลาว่างเวลาไม่สบายจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้อยู่บ้านก็เหงาลองเปิดหนังสือธรรมะที่ได้รับไปอ่านดูแล้วก็จะทำให้ความเหงาหายไปได้ทำให้ความเศร้าหมองหายไปได้ไม่ต้องซึมเศร้ามีความสุขใจขึ้นมาได้นี่คือวิธีการทำบุญต่างๆ ที่พวกเราควรจะมาหัดทำกันถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการที่เมื่อเวลาที่เราไม่มีความสุขเวลาไม่มีความสุขนี้เรามักจะไปหาวิธีหาความสุขแบบไม่ถูกวิธีคือไปเสพยาเสพติดกันยาเสพติดนี้ถึงแม้ว่ามันจะบรรเทาความเหงาความความเศร้าความเหงาความไม่สบายใจได้ แต่มันทําได้เพียงชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เวลาเสพความเหงาความเศร้าก็หายไปเดี๋ยวพอฤทธิ์ของยาหมดความเหงาความเศร้าก็กลับมาใหม่เราก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราขาดไม่มีเงินซื้อยามาเสพทีนี้เราจะทรมานยิ่งกว่าตอนที่เราไม่ได้เสพยาเพรนอย่าไปแก้ ความเหงาความเศร้าความว้าเหวด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมันเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดมันเป็นความสุขเดี๋ยวๆเวลามันหมดก็ต้องหามาเสพใหม่ แล้วถ้าเกิดเวลามีปัญหาร่างกายไม่สบายก็เสพไม่ได้หรือไม่มีเงินทองไปซื้อของมาเสพก็ไม่ได้เสพเวลานั้นมันจะเกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างรุนแรงอาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้เวลานั้นคนที่ฆ่าตัวตายกันก็เพราะไปเจอกับความทุกข์แบบนี้ความทุกข์ที่ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ แต่ถ้าเราไม่หาความสุขแบบนี้เราหาความสุขแบบธรรมนี้เราจะไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะการหาความสุขแบบธรรมนี้ไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราก็ทาได้ถ้าเราไปทำบุญทำทานไม่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เราอยู่บ้านอ่านหนังสือธรรมฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้ เราก็จะไม่เหงาเราก็จะไม่ว้าเหวเราจะไม่ทุกข์ทรมานใจนนี่คือข้อที่สองของการกําจัดความทุกข์ใจของพวกเราคือพยายามทำบุญชนิดต่างๆที่เราเลือกทํากันได้ตามวาลาตามโอกาสตามความสามาร ถ, ถาทำเอาไว้บุญเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของใจเราแล้วมาข้อที่สาม คื อ, อยังนอกจากการไม่ทำบาปแล้วนอกจากการทำบุญแล้วความทุกข์ใจก็ยังไม่หมดเหมือนกับการผ่าตัดแล้วฉายแสงแล้วเ น, นื้องอกมันก็ยังไม่หมดเนเขาก็ต้องให้คีโมอีกชั้นหนึ่งถึงจะกาจัดมันได้หมดอันนี้ก็เหมือนกันเรากาจัดความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้แล้วกาจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ ได้ทําบุญด้วยการทําบุญแล้วทีนี้ก็เหลือความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ในใจของเรานี่เองกิเลสคือความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆมีอยู่สามชนิดด้วยกันคือหนึ่งกามตัณหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองเรกเรานี้ติดยาเสพติดกันยังติดรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เวลาที่ไม่ได้เสพเราจะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าขึ้นมาน ข้อที่สองความอยากมีอยากเป็นอยากร่ําอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็เป็นความอยากที่จะมาทําให้ใจเราไม่สบายเวลาที่เราไม่สามารถทําตามความอยากได้ความอยากชนิดที่สามก็คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรามีไปนั่นเองไม่อยากสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไป ไม่อยากสูญเสียนั่งกายไปไม่อยากสูญเสียความหนุ่มความสาวไปไม่อยากจะสูญเสียสุขภาพไปไม่อยากจะเสียชีวิตไปแต่ความอยากเหล่านี้มันมันมันปฏิเสธความจริงไม่ได้ความจริงก็คือไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายกันเราก็จะต้องเจอการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไปกัน ถ้าเรามีความอยากไม่สูญเสียเราจะทุกข์มากนถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องมากำจัดความอยากทั้งสามนี้ที่เรียกว่าการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาการจะกำจัดกิเลสการจะมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ต้องอาศัยวิธีปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการภาวนาภาวนาจิตตะภาวนามีสองระดับ สมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาและการจะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลแปดขึ้นไปเป็นผู้สนับสนุนเราจำเป็นจะต้องถือศีลแปดเพื่อเราจะได้หยุดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นไปหยุดกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายไปเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาทำมาทำการภาวนา มาเจริญสมถะภาวนาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วหลังจากได้สมาธิแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสนาเพื่อให้เห็นมีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้การนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอด วันใดวันหนึ่งก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปจากเราไปนี่คือขั้นสุดท้ายของการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปเราต้องมาไปหัดภาวนากันไปหัดถือศีลแปดไปหัดนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญสติพุทโธพุทโธ เดีย๋ยนี้วัดว่าเกือบทั่วประเทศมีหลักสูตรสอนกันหลักสูตรสามวันห้าวันไปอยู่วัดถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็จะมีผู้วิทยากรมาสอนวิธีเจริญสติวิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิวิธีเหล่านี้ทําเพื่อทําใจให้สงบเพราเวลาใจสงบแล้วกิเลสตัณหาจะหยุดทํางานชั่วคราวนั่นเอง พอใจสงบกิเลสตัณหาหยุดทํางานความทุกข์ร้อนที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายไปใจก็จะเย็นจะมีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความคิดความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่กิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมา พอกิเลตันหาโผล่ขึ้นมาความร้อนใจความวุ่นวายใจก็จะตามมาทันทีความทุกข์ใจก็จะตามมาถ้าต้องการกำจัดความทุกข์ใจร้อนใจก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ขั้นสุดท้ายต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่ความอยากสิ่งที่กิเลสตันหาต้องการนี่มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมัน เป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ตามเวลาเสพมันก็ให้ความสุขกับเราแต่มันไม่อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวมันก็หายไปไปเที่ยวก็มีความสุขกันพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปหมดพออยู่บ้านก็เหงาว้าเหวขึ้นมาใหม่ยิ้นอย่าออกไปดีกว่าออกไปเดี๋ยวก็ต้องกลับมากลับมาก็ต้องมาเจอความว้าเหว สู้มากำจัดความว้าเหกันดีกว่าความว้าเหก็เกิดจากความอยากที่จะออกไปเที่ยวนั้นเองพออยากออกไปเที่ยวแล้วไม่ได้ออกมันก็เกิดความเหงาความว้าเหวขึ้นมาเราก็หยุดมันด้วยปัญญาหยุดมันด้วยสติดึงทำใจให้สงบอย่าไปทำตามความอยากด้วยการทำใจให้สงบกลับมานั่งสมาธิแทนพอใช้สมาธิใช้ปัญญามา ดับความอยากต่อไปความอยากก็จะไม่มาลบกวนใจอีกต่อไปต่อไปอยู่บ้านเฉยๆอยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหว่กับมีความสุขกับชอบอยู่คนเดียวอยู่กับคนอื่นแล้วมันวุ่นวายหนอคนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้มีแต่เรื่องมีแต่ราวที่จะต้องคอยตอบสนองกิเลสตัณหาของเขาอยู่ตลอดเวลา พอไม่ตอบสนองเขาก็โกรธเราเกลียดเราขึ้นมาอีกนสู้อยู่คนเดียวดีกว่าสบายไม่มีเรื่องกับใครไม่มีปัญหากับใครนี่แหละถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่อยากจะไปยุ่งกับใครไม่อยากจะไปหาความสุขจากอะไรเพราะมันจะมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปต้องเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุข แล้วเราจะรู้ว่ามันไม่สุขมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปความอยากก็จะมาดึงใจเราไปไม่ได้ต่อไปความอยากก็เลิกมาดึงใจเราก็จะไม่มีอะไรมาทำให้เราทุกข์อีกต่อไปใจเราก็จะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดใจที่สุขไปตลอดนี่เราเรียกว่านิพพานสุขไปตลอดเพราะไม่มี กิเลสตัณหาที่จะมาก่อกวนมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปพอได้ถูกกําจัดด้วยวิปัสสนาภาวนาและสมถะภาวนานี่เองนี่คือขั้นตอนสุดท้ายชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็จะสามารถทําลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ ใจก็จะหายจากโรคทุกข์จะอยู่อย่างสุขไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อใจมีความสุขใจก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปพอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาเจอกับการพัดพากจากกันอีกต่อไปนี่แหละคือ วิธีรักษาความทุกข์ใจที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะหายจากความทุกข์เพราะมีผู้หายมาแล้วคือพระอรหันตสาวกทั้งหลายต่อไปเราก็จะเป็น อาลัยตสาวกถ้าเราเชื่อและเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวถไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในใตายพบอีกต่อไปนี่คือเรื่องของธรรมะที่นํามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวะริวะฮาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา chanting ปะนาหะโสยถามณีโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปะวัตตันตาราโยสุขีทีคาโยโกภา อาพิวาทนาสีลิตสานิจางุธาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะของงดถามจะถามเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ชาวเินโดไม่รู้จะถามหรือเปล่า Do you have any question? Okay I will give you the microphone s Hang wait up wait for the microphone out oh there wait wait okay วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะวันนี้จากเฟซบุ o กสาร้อยหสิบเจ็ดทูสาม้อยห้าสิบเอดวิออนไลน์ยี่สิบหกผู้รับฟังบนเขา้อยหกสิบสามรวมเก้าร้อยเจ็ดท่านค่ะ okay. ใช่ค่ะขอถามนิดหนึ่งคือเคยฝึกมาแบบพองยุบอะค่ะดูที่ทองอันนี้ก็ได้ไดใช่ไหมคะดูลมดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่ท้องก็ได้ก็ดูลมเหมือนกันอเป็นวิธีหยุดความคิดพอเรามีอะไรทําแล้วเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้หมายถึงตอนตอนนั่งสมาธิอะค่ะ<อ>พยายามจะเปลี่ยนมาเป็นอาณนนาแต่มันก็จะปิดจับอยู่ที่ท้องอยู่เรื่อยไม่เป็นไรเหมือนกัน ก็นนเป็นอาณาเหมือนกันอาณาที่ท้องอาณาที่ปลายจมูกก็อนาณาเหมือนกันแล้วอย่างเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ย ก็มาจับที่ไปลาจมูกอันนี้มั น, ไ ม, มนไม่ขัดแย้งกันคือถ้าทําได้ก็ทําแต่เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิบาดูที่ว่าเรื่องกายร่างกายกําลังทําอะไรดีกว่าดูอริยบท ด, ดูกายานุกาการกระทําของร่างกาย อ, อย่างนั้นดีกว่าไม่ควรอยู่กับพุทโธ ท, ที่จะพุทโธก็ได้แต่ไม่ไม่ควรอยู่กับลม<อ>เพราอยู่กับลมเดี๋ยวทําอะไรผิดอ่ะกำลังไปทําอะไรแล้วดูลมเดี๋ยวก็ไปทําผิดได้ กำลังทํากับข้าวอยู่นี้แล้วมาดูลมนี้<อ>ก็ต้องดู<อ>ที่การทํากับข้าวไปแทนก็ดูกายาไปเดี๋ยวกายาไปแล้วถ้ามันมีผัสสะเข้ามาอย่างเช่นทําให้ใจกระเพื่อมนี่เราคือเราดูแล้วเราต้องปล่อยใช่ไหมคะอย่าไปสนใจดึงใจกลับมาที่กายากลับมาทีอ่อะไรที่เรากําลังทํำอยู่ก็คือให้ปล่อยอปล่อยเห็แล้วปล่อยใ ช, ใช้พุโทโธก็ไ ด, ด, ได้ถ้ามันอยากกลับไปก็พุโทโธพุโทโธดึงกลับมาก็ได้ ขอบคุณค่ะอืมมันชอบไปเรื่อยอยู่กับกายาได้แป๊บหนึ่งไปนะ้อยู่กับลมปั๊บไปแล้วก็ต้องดึงกลับมาดึงกลับมาเพราะสติเรายังมีกําลังไม่มากพอจึงทําให้มันไปได้ถ้ามีกําลังมากๆแล้วต่อไปมันไม่ไปให้มันอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธ แต่ถ้าไปก็ดึงกลับมาดึงกลับมาชักก็เยอะกันใหม่ใม่เหมือนชักก็เยอะกันหนกําลังเราน้อยกว่าเขาก็ดึงไปพอเรามีก็พอเราได้สติได้กําลังกลับมาแล้วก็ดึงกลับมาทําฝึกไปงี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไม่ไปดนะูอยากจะถามอะไรหรือเปล่าจะ๊ะ <c oughs> ไม่ลเลยคิดว่าจะมาถามคงถามามีใครอยากจะถามอีกไหม ทำไมมีเอาคําถามทางบ้านต่อได้คําถามจากคุณวิจัยออกจากกรรมฐานใหม่ๆจิตจะไม่ค่อยตื่นตัวเหมือนปกติหลังจากอาการปิติหายไปนานแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับไม่รู้ออกมาแบบนีน้ออกมาจากหลับหรือเปล่าถ้าออกมาจากหลับมันก็เหมือนคนเพิ่งตื่นนะ แต่ถ er ้าออกมาจากสมาธินี้มันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามันพร้อมที่จะทำหน้าที่ต่อไปออกมาก็เดินจงกรมพิจารณาทำได้เลยถ้าสื่มเฉลยก็แบบออกมาจากพวังหลับมากกว่าจากู้รับฟังวันนี้นะคะคนกินเบียร์บอลละแก้วสองแก้วทำให้ตายตายไปต้องเกิดเป็นสัตว์นรกแต่คนที่เล่นการพนันตายไปนั้นไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรก จริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกคือดื่มชุราหรือเล่นการ์มานานนี้ไม่ไม่ไม่เป็นบาปนีไม่ไปนรกไม่ไปอบายเพียงแต่ไปอยู่ที่ประตูของอบายเขาถึงเรียกว่าอบายมุกเนี่ยมุกแปลว่าทาวานทางเข้าอบายคนดื่มชวราก็เหมือนกับคนที่จะไปทําบาปต่อนั่นเองพอดื่มชวราถ้ามเมาแล้วเดี๋ยวก็ จะทำบาปง่ายไม่มีอะไรไม่มีสติมายับยั้งใจถึงไม่ควรดื่มสุราเล่นการพ น, นันเดี๋ยวเล่นก็หมดตัวหมดตัวก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาเล่นก็ต้องไปทำบาปถ้าเล่นแล้วหมดตัวแล้วก็เลิกก็ยังไม่บาปดื่มสุร า, มาเมาแล้วก็นอนก็ไม่บาป จะบาปก็ต่อเมื่อไปทําบาปอบายามุขมันไม่ได้เป็นตัวบาปแต่มันเป็นตัวที่จะฉุดให้เราไปทําบาปได้ง่ายท่านเลยต้องห้ามไม่ให้ไปเสพอบายามุกด้วยคําถามจากผู้ฟังวันนี้นะคะถ้าเราฝึกนึกพุโทโธและทําจิตใจว่างขณะไม่ได้นั่งสมาธิได้ความระงับสบายแค่ช่วงสั้นนิดเดียวจะได้บุญหรือเปล่าคะ ก็ได้ได้ผลนิดหน่อยจะเรียกว่าบุญก็ได้แต่มันยังไม่ได้บุญแบบเต็มที่อาจจะเป็นบุญแบบน้ําที่ติดอยู่ในในแก้วนะ้ํายังไม่ได้เป็นน้ําที่เราเทเข้าไปเต็มแก้วคําถามที่สองถ้าเราฝึกนั่งสมาธิรู้สึกจิตใจระงับไม่ฟุ้งซ่านแตกช่วงเวลาสั้นนิดเดียวแม้จะนั่งนาน30นาทีจะได้บุญไหมคะ ก็ได้ความสุขแบบสั้นๆก็ได้บุญแบบสันชนนะจ่าคุณพงศ์เจ็ดแปดเหตุใดช่วงนี้มีความเชื่อมิจฉาทิฐิทางศาสนาพุทธเยอะมากแสดงว่าศาสนาพุทธศรัทธายอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีปัญญาในการพิจารณาความเชื่อด้วยใช่ไหมครับก็ต้องเชื่อแล้วก็ต้องนำเอาไปพิสูจนต้องปฏิบัติถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาถึงจะ ถึงจะไม่งมงายถ้าเชื่อแล้วไม่ปฏิบัติก็เชื่อไปแล้วก็จินตนาการไปว่าจะได้อย่า ง, งาน้นได้อย่างนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้ mm hmm. หมดแล้วเลยโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหม you want any question anymore o okay. k a นันต้องเชื่อก่อนเชื่อเพื่อจะได้เอาไปพิสูจน์เพื่อจะได้กลายเป็นปัญญาถ้าเชื่อเฉยๆก็จะเหมือนกับคนที่บอกว่า เ, ออเมืองนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะนั่งคิดไปในในใจแล้วคงจะเป็นอย่างงู้นคนจะเป็นอย่างนี้แต่ความจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่ถ้าเราเดินทางไปที่เมืองนั้นแล้วเราก็จะดูจะเห็นทุกอย่างเราก็จะได้รู้ว่า ความคิดของเราจินตนาการของเรากับความจริงตรงกันหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่รับประกันไม่ตรงกันเวลาเราคิดเรามักจะคิดแต่ของสวยๆงามๆแต่ไม่คิดถึงของที่ไม่สวยไม่งามที่มันมีอยู่ด้วยคิดถึงอเมริกาก็คิดว่าเป็นสวรรค์แต่ไปที่นั่นจริงๆเนาะนรกก็มีคนจนก็มีคนขอทานก็มีแต่เราจะคิดว่าฝรั่งนี่รวยกันไปหมดไม่รวยไปหมด งั้นความเชื่อมันยังไม่เป็นความจริงมันทำให้เรางมงายได้งั้นเราต้องนำเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรเรียกว่าปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมต้องเปิดตาในคือดวงตาที่จะเห็นธรรม เป็นตาในต้องเกิดจากการภาวนาเนี่ยนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะเห็นความจริงต่างๆที่เรามองไม่เห็นมาก่อนอืจักคุณสหเมษาการนั่งสมาธิจําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหรือนั่งแบบสบายมีข้อดีอย่างไรครับถ้านั่งขัดสมาิได้มันจะนั่งต่อไปนั่งได้นาน ถ้าเราปฏิบัติก้าวหน้าแล้วเราอยากจะมันจะนั่งได้นานถ้าเรานั่งในท่าเห็นมันนั่งแล้วเดี๋ยวมันจะล้มเพราะที่ร่งมันที่มันไม่ท่ามันไม่เสถียรมันไม่มั่นคงเหมือนกับนั่งขัดสมาธิแต่ถ้านั่งไม่นานหัดใหม่แล้วนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งบนปลายเตียงก็ได้แต่จะนั่งไม่ได้นานแต่สำหรับพวกที่อยากจะนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี้เขาต้องนั่งแบบขัดสมาธิ ว่ามันจะได้นั่งแบบสบายไม่มีการจะล้มถ้านั่งแบบไม่ขัดสมาธิเดี๋ยวมันล้มได้ง่ายมันเล่นไปทางซ้ายปั๊บเดี๋ยวก็ล้มลงไปได้จากคุณทวีชัยคำถามที่หนึ่งถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นควรทําอย่างไรครับวิธีง่ายที่สุดก็คือพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องแล้วคนที่ทําให้เราโกรธนะก็จะหยุดความโกรธได้ชั่วคราว พิธีที่สองก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าความโกรธเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากของเราพออยากได้อะไรไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธ ถ, ถ้าไม่อยากจะให้โกรธต่อไปก็อย่าไปอยากได้อะไรจากใครให้ยินดีสันโดยิยนดีตามมีตามเกิดก็จะไม่โกรธได้ คำถามที่สองเมื่อเกิดกิเลสขึ้นเช่นรู้สึกได้ว่าอยากได้ของอย่างหนึ่งควรทำอย่างไรเพื่อละความอยากหรือกิเลสนี้ครับตัองของว่าแล้เกิดเวลาหายไป้วได้มาแล้วเวลาถูกขโมยไ ป, ไปเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ก็จะเสียใจตอนนี้ไม่ได้มันก็ไม่เสียใจแต่พอได้มันแล้วเสียไปกลับมาเสียใจนั่นก็จะไปเอามันมาทำไมเพราะมีใครมารับประกันได้ว่าเดี๋ยวจะไม่จากเราไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันเจะคุณพิทักษ์พระปฏิบัติในอริยบทท่านอนต้องนอนในท่าสีหาสายาสเพียงท่าเดียวใช่ไหมครับในการรักษาสติให้คงอยู่ต่อในอริยบทของท่านอนคือนักปฏิบัติพระเจ้าสอนให้นอนในท่านอนท่าท่าสีห์สายาท่าตะแคงขวาเพื่อจะได้หลับไม่นานะ หลับพอเพียงต่อการพักผ่อนของร่างกายแล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะลุกขึ้นมาได้ง่ายถ้านอนงายก็จะนอนยาวนอนเหมือนคนตายท่า น, นบอกให้นอนเหมือนราชสีเสือนี่มันจะนอนราชสีมันจะนอนแบบมีสติมีอะไรมากระทบมันหน่อยมันจะตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะปฏิบัติการทันทีเมื่อไม่อนอนแบบนักลบ นอนแบบต้องฐานนอนแบบกอดปืนนอนไม่ใช่กอดแฟนนอนหมดแล้วนะโอเคมีใครอยากถามอีกไหมเดี๋ยวขอไมโครโฟนไปก่อนคือเวลาปฏิบัติเนี่ยค่ะเจ๊เธอ ระยะเลหนึ่งแล้วเนี่ยตัวอันเตี่ยมไม่ได้ปวดขาไม่ได้ปวดบางทีก็รู้สึกเบาแต่ <c oughs> แต่สมองนี่รู้สึกว่าไม่ปลอดโปร่งไม่เบาไม่ทราบว่ายังไม่สงบเต็มที่ยังไม่สงบเต็มที่กาลังพุทธโทต่อไปดูลมหายใจต่อไป <c oughs> ยังมีการต่อสู้อยู่ความอยากกับสติยังสู้กันอยู่มันก็เลยทาให้ไม่โปร่ง พอความอยากมันหมดกำลังแล้วที่มันก็จะเบาจะล่องจะสบายเห็นต้องพุโทโธต่อไปแล้วดูลมต่อไปอย่าเพิ่งหยุดเวลาดูลมแล้วความคิดมักจะฟุ้งซ่านเราควรจะตามความคิดนั้นไปไม่ควรนะไม่ไม่ไมพุ่งไตามเลยควรกลับมาดูลมต่ อ, อหรือใช้พุโทโธมาช่วยก็ได้แต่อย่าไปดูความคิดยิ่งคิด ก, ก็ยิ่งตามก็ยิ่งคิดใหญ่เลย พระอาจารย์มีกับอีกคาถา ม, ถามนึงค่ะเราควรจะฝึกการข้ามเวทนาจากการที่เรานั่งนานๆแล้วเราคาชาหรือแบบเดียวกันถ้าอยู่กับพุโทโธไปดูลมไปอย่าไปสนใ จ, นใจปล่อยมันชาไปปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากลุกเพราะมันจะทำให้ทนนั่งต่อไปไม่ได้อย่าไปต้องหยุดความอยากให้มันหายหยุดความอยากจะลุก เพราะตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราทนนั่งไม่ได้ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะนั่งต่อไปได้งั้นวิธีก็คือให้เรามาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วอยู่กับลมาหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากจะลุกความอยากให้มันหายก็จะหายไปแล้วเราจะรู้สึกเบาสบายอยู่กับความเจ็บได้แม้เดือดร้อนมันสู้ มันเหมือนมันต้องสู้กับความดิ้นรนของจิตใจเราเอไม่ใช่ไปสู้กับความเจ็บสู้กับความดิ้นรนด้วยการใช้สติพุโทโธหยุดมันได้หมดมีไหมจึงชอบมาหน่งครัโอเคจะคุณกาลยาเวลานั่งสมาธิติดหลับพอระงรับความฟุ้งซ่านได้ก็จะหลับเจ้าค่ะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเจ้าค่ะก็สติไม่ดีหนึ่งกินมากไปหน่อยหนึ่ง เห็นท่านหลับก็ลุกขึ้นมาเดินเดินก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธแล้วดูก้าวเท้าไปอย่าเดินเฉยๆอย่าเดินแบบใจลอยเดินนั้นต้องมีสติแล้วเดี๋ยวสติก็จะกลับมาแล้วพอเดินนับมื่อย ก, ก็กลับมานั่งใหม่ทีนี้ก็จะไม่หลับหมดแล้วนะหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด